ข้าพเจ้าจะมีหนังสือไปถึงเรลาเกียงฉบับนี้ให้มาอ่อนน้อมตามประเพณีเมื่อเราเกียงรู้ว่าเมืองลกเสียอันสำคัญนี้เสียแกเราแล้วก็จะยอมคำนับแม้จะขัดแข้งอยู่ประการใดเราจึงค่อยยกทหารไปปีต่อภายหลังก็ได้คนได่ได้ฟังเชื่อนี้ก็เหชอบด้วยคือไม่ต้องบกทับไปให้หเมืองพ่ายพ้ละ ก็ที่นี่งดกองทับไว้ก่อนแล้วไปหกวจริงมีนิสสีเข้าไปแจ้งแกเล่าเตียงตามความคิดล่ายเล่าชุนบุตรเล่าเตียงผู้เสียเมืองลกเสียให้แกเล่าปีแล้วนะก็เปิดประตูมืออีกด้านหนึ่งหนีไปเสจชวนเมื่อไปถึงเสจชวนแล้ว เหล่าชุนก็เข้าไปแจ้งแก่เหล่าเทียงผู้บีดาให้ทราบทุกประการนะเหล่าเกียงก็จึงให้หาคุนนางมาปรึก ษ, ษาการธิเลวบัตี้มีลูกเสียอันสำคัญเงนก็เสียให้แก่รอบปีแล้วเห็นว่ารอบปีจะต้องยกเข้ามาประชิดติดมืเราเป็นเมื่นคนจะคิดป้องการประการใดดีแต่ต่อมีชื่อนะครับแต่ต่อเอ่อแต่ต่อก็แล้วกัน แต่ต่อผู้็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จริงที่แบบเล่าปีได้หีลกเสียก็่าจีแต่ทหารทั้งสิ่งทั้งปวงของเล่าปีนั้นก็เป็นคนสำส่อนดีกว่าได้เป็นเฉลยมานี่เป็นน้ำมันใจเดียวกันถึงจะทำการก็ไม่ได้พร้อมเพรียงกันอันหนึง่งก็ม้อยตัวเห็นพอจะสู้รบได้อยู่นี่แต่ต่อประมาณกำลังของเล่าปีแค่นี้ ก็ถูกต้องฐานรอบปีจริงๆที่มาจากเกลิงสิ้นก็ไม่ทรมายมาได้ฐานเพิ่มเติมก็เป็นฐานมีเศษชวนพังนั้นแม้แต่ว่าเนียนหังงนโตเองเปียวเอ็ม อ, อ, อีนี่ก็เป็นฐานเอกเสษชวนพังนั้น่ะบรรดาฐานเหญอีกตั้งตัวนี่ก็ตามเไปนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานสำสอนคือหลายๆฝ่ายมารวมกันนี่มันยากแต่การคว บ, บคุมบับบัญชาไม่เป็นน้ำมือใจเดียวกันเนี่ย ห็นอ พ, พอจะสู้รบได้อยู่คอยแต่งคนออกไปขับป้อนอาาประชารัตดอนหลวมีนป่าเสฝ่ายตะวันตกให้ข้าแม่น้ำโตซีเข้ามาอยู่ที่ฝากมือเราให้สิแล้วก็เผาข้าปลาอาหารทั้งปวงที่เอามาไม่ได้ที่ยังทิ้งเหลืออยู่นะ่ะเผาทำลายให้สิ่งอย่าให้หลงเหลือไว้เป็นกำลังแกะกองทัพเราปี แล้เราปีจะยกทัพมาล้อมเมืองเราเสบียงอาหารในเมืองของเราก็มีมากมายบริบูรณ์อยู่ก็เพียงแต่รักษามเมืองมั่นไวเท่านั้นแหล่าปีจะทํำไม่ได้ทางฝ่ายเล่าปีนะัะต้องมาทางไกลทุรกันดารเสบียงอาหารก็น้อยถ้าแมน้นต้องช้าช้านานอยู่ยังเข้าเมืองนี้ได้ หมดสินอาหารลงเมื่อสเสบียงอาหารหมดสิ้นลงทานทั้งๆก็จะต้องอิดโอยกำลังถึงจะทำการต่อไปก็ไม่เต็มมือหน้าที่จะเลิกทัพกลับไปเองประทานของเราก็มีกำลังลัพพร้อมอยู่ก็จะยกโจมตีการนำเอาเมื่อปลายมือเห็นจะจับรอบปีได้ดวยง่ายแต่ต่อว่าอย่างนี้นะวางแผนในชนิดความจีิงในเสฉวนเนี่ย ยังมีคนที่มีปัญญาแข็งๆอาจจะมีสติปัญญามีบีดูปรังค่าหันแข็งๆอยู่นิดมากอยู่แต่เล่าเกี่ยงเล่าเกียงท่านเจ้าเมืองนี้ก็พูดว่าธรรมดาคาดศึกมาทมันตรายก็ชอบจะต้องป้องการรักษาขอบขันเตเสมาไว้อย่าให้อนาประชารัฐสารได้รับความเบื่อร้อนเลย มีค่าสึดยกมามิทันที่จะได้รบพุ่งต้านทานแต่กลับจะต้องไปขับป้อนอามาประจารัตนให้ต้องพลัดตินพลัดฐานได้รับความรหกระเหินทุกระยากชนี้อีกเล่าเรามิเห็นด้วยเล่าเกียงไม่ยอมทำตามความคิดของแต่ต่อชนิดถ้ายัางเราลองคิดดูที่แต่ต่อวางแผนให้การวางแผนให้ดนี้ อย่าน้อยกว่าจะรักษาเมื่อเสฉวนไว้ไ่งมานอยู่ผมเป็นเหาปีจะตีเสฉวนก็ต้องความยากยิ่งละและอาจจะรักษาเสฉวนไว้ได้ดตลอดก็ได้แต่เหล่าเตียงกระเห็นที่ด้นันกว่าจะทําได้รัดสะดอนด้วยร้อนของพระราจาอินทร์พนเหล่าเตียงก็ไม่เห็นด้วยขณะเมื่อเหล่าเตียงปรึกษาประการกันอยู่เชนนี้ว่าจะทำอย่างไรดี ก็พอดีอวีขวนญลีขวนเอาหนังสือที่หัวเกียงเขียนมาเพื่อให้เหล่าเกียงออกไปอ่อนน้อมยอมแพ้เนี่ยหนังสือฉบับนี้ได้มาถึงเหล่าเกียงเหล่าเกียงขีภนิกออก่านดูเป็นใจความว่าข้าพระเจ้าหวัวเกียงขอคำนับมาถึงท่านด้วยเดิมท่านก็มีใจรักใคร่ เล่าปีโดยสุดจริตนี้ได้คิดรังเกียจสิ่งบัตรจึงใช้ขบเจ้าคุมฐานออกไปรับเหล้าปี ม, นมันหน้ามือเสฉวนหวังจะช่วยป้องกอันขอบกันแต่เสิมมาให้เป็นสุขและบัตรนี้ท่านมาเชื่อถือถ้อยคําคนยิ่ยงมิได้พิเคราะห์่ึงมีความกินแหน่สมเทศในเล่าปีกลับเป็นฆ่าเป็นแก่ต่างฝ่ายเหล้าปีก็ได้ทําการใหญ่เหนือมาถึงเพียงนี้ การหนึ่งเวี่ยงเมืองทั้งปวงก็เข้าอยู่ในเล่าปีสิ้นขอให้ท่านคิดอ่านผ่อนผังอ่อนน้อมเช่ตามประเพณีเถิดอันเล่าปีนี้เป็นคนสัตว์ซื้อแล้วก็อารีนี้ได้พยายามแก่ผู้ใดแม้ท่านพิเคราะห์เห็นชอบก็ให้ไปามับเล่าปีเสียแล้วก็จะมีความสุขสืดไปเห็นว่าเล้าปีจะไม่ทำอันตรายแก่ท่าน มือสีของปัวเกีย์มีมาอย่างนี้เหล่าเกียรแกลงความมืออย่างนี้แบบนี้ให้โกรธโกรธทีเดียวทีบมือ ส, สีทิ้งแล้วก็ด่าทีลว่าไอ้ขายเจ้ามันกล่าวถึงเนี่ยปรารถนาจะประโยชน์ใส่ตัวมันเสียแรงเรายัี้งมาแต่หาความตําัยูต่อเรามิได้แล้วเราจกียร์ก็ขับคนถือมือสีไปใช่ไคือ อุ้ยกวนะแล้วก็เรียกหาลีหวนผู้เป็นนอ้องภรรยาและลิเหยิมคุ้มหันสามหมื่ยกไปรักษาด่านเมืองกิมกกเขวี้ดด่านเมืองกิมกอกนี่เป็นด่านสำคัญอีกด่านเดียวตั้งโหที่ปึกษาได้เข้ามาับผู้กระเราเชี่ยงว่า ขอให้ท่านมีหนังสือไปถึงเตียวลอ่อเจ้าเมืองหันตงขอให้เตียวลอ่อยกกองทัพมาช่วยเถดเห็นจะสู้เราปีได้เราเยงก็จรงว่าซึ่งท่านแค่ไปขอกองทัพเมืองหันตงมาช่วยนั้นก็เตียวล่อกับเราสิก็เป็นอริกันอยู่เหตุนีวายที่เกิดขึ้นเนี้ก็เพราะคิดที่จะเชิญเอีปีมาช่วยเลือป้องกันเตียวลอ่อ และบัดนี้จะไปขอกำลังเปียวล่อให้เขามาช่วยเหลือเราเป็นอริกันอยู่อย่างนี้ที่ไหนใครก็จะมาช่วยเราเพียงว่าอย่างนี้ตั้งโหก็จิงว่าถึงเปียวล่อหมา่นใจกับเราอยู่ก็จริงแต่ว่าบัดเนี้ยการที่เราปีกระทำเนียใหญ่หลวงกำเริบมนะักนน้นว่าได้เบียเสฉวนแล้ว เล่าปีก็จะต้องไปปีเอาเมืองหันตรงของเตียวรอได้เป็นมั่นคงอันเมืองเสฉวนเนี่ยจึงประมาก็เหมือนกับริมฟีปากมีอหันตรงของเปียวรอนั้นก็ดุดดังฟันก็ถ้าริมฟีปากแหว่งเสแล้วก็จะเห็นฟันด้วยทางนี้ดิวบอกริมฟีปากับฟันนั้นน่ะอยู่ใกล้กว่าใกล้กันยิ่งนักชนี้ ขอให้ท่ามีหนังสืว่ากล่าวไปเถอะว่าเหล่าปีนะั้นมีความคิดใหญ่หวงกำลังเข้มแขันอยู่ปีโอรอก็จะต้องคิดกลัวเหล่าปีเช่นเดียวกันเกรงว่าข้าึจะไปถึงเมืองตัวมีร้ายก็จะต้องยกฐานมาช่วยท่านมีตั้งหัผู้จาชี้แจงดังนี้เหล่าเกียงได้ฟังแล้วก็หัวชอบด้วยก็จึงแต่งหนังสือให้คนถือไปยัง เบลล์เมืองฮันตรงตอนนี้เราจะได้กล่าวถึงบุคคลสำคัญแล้วนะครับคือ มาเฉียวเนี่ยมาเฉียวนะตั้งแต่ครั้งแบบผ่านนี้โจโฉตะเลเิดเปิดตังมาตั้งแต่แม่น้ําปีโโหครั้งนั้นมาเฉียวนี่ยก็หนีไปอยู่เมืองเกียวเรียกว่านอกแดนเมืองจีนออกไปเขาไม่ได้บอกเป็นระยะทางว่าไกลเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกเป็นวังเวลาเขาวัดเมืองเกียวเนี่ย อยู่นอกแดนเมืองจีนไปสามเดือนมีคือหนีกันฝุดกูเลยทีเดียวแล้วมาเฉียวนี่ก็ไปท่องสูนผู้คนฐานได้เป็นอันมากก็ยกมาตีหวัวเมืองแหวนควนของโจโฉได้เป็นหลายตำบลแล้วก็ยกมาตีเมือง ของก็ม่ดได้มีอของก็คอยท่ากองทัพแหววเอียงอยู่หลายวันก็ไม่เห็นยกมากองทัพของมาเฉียวก็ยกเข้าล้อมเมืองไว้ในที่สุดอีของเนี่ยก็จำต้องคิดเออจะออกไปขมับมาเฉียวอะ่พะพอเห็นว่าจะสู้ไม่ได้เกียวหูนายทหารก็เข้ามาห้ามว่า ท่านจะออกไปอ่อนน้อมต่อมาเฉียวนะั้นกระบาดเจ้านิเต็มใจเดี๋ยวมาเฉียวคนนี้อักตันยู่ต่อเจ้าหาความสัตว์นิได้จะ ต, ต้องการอะไรที่จะไปคุมมัดผิดนักก็สู้ตายในเมืองดีกว่าเยี่ยหูเข้าไปพูดอย่างนี้มีอของก็จิวะเมื่อการมันจูนตัวถึงเพียงนี้แล้วท่านจะมาห้ามเราม่ออกไปคุมมับมันน่ะนิได้มีอของก็ไม่ฟัง เปิประตูเมืองออกรับมาเฉียวเข้าไปแล้วก็คำนับตามประเพณีมาเฉียวเข้าไปในเมืองกิจอยูแล้วก็จีว่าเปืวท่านเปิดประตูเมืองรับคำบนับเราบัดนี้จะได้นอบนอกโดยสุภาพตัวเราก็หามิได้เหตก็เปิดประตูเมืองรับเราเนี่ยก็ดว่าการมันจวนตัวจําเป็นเข้าแล้ว เปิดประตูมือรับเราถ้าท่านพัดดีต่อเรากินนะ่ะก็จะต้องทำมับเราแต่แรกมาโดยปกติที่ทำทั้งนี้เห็นว่าท่านหาสุจริตต่อเราไม่นานไปก็จะคิดทำมันตรายแกเราจะไว้ใจนี้ได้มาเฉียวก็ฟังให้ท่านเอาตัวมีของเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกแต่โบราณ น, นั้นนหะเมื่อฆ่าก็ต้องฆ่ากันให้หมด หมดทั้งครอบครัวไปฆ่ากันหมดเลยทหารทั้งปวงก็จริงว่าเอยวหูนี่เป็นฐานของอุยของแต่เมื่อแรกอุยของต่อไปคำนับท่านก็ขัดแข็งทัดฐานไว้หาได้มีใจต่อท่านไม่ก็ขอให้เอาตัวเอีอยวหูเนี่ยไปฆ่าที่ไม่คนนึงนี่ทหารเข้ามารายงานอย่างนี้คือฆ่าอุยของไปคนแล้วละ่ะ ันเข้ามารายงานด้วยยังอีกคนนึงนี่คือเอวหูเอวหูนี่พัดท่ทานอวยของอย่างมากเพราะอวยของจะเปิดประตูไปคํามับท่านเอวหูนี่ไม่ยอมเอวหูเนี่ยนี่เป็นพัดดีต่อท่านดังนั้นขอให้ท่านฆ่าเอวหูซะด้วยทีนี้เรามาดูมาเฉียวเขาสิเขาว่ายังไงมาเฉียวกลับบอกว่าพี่เอวหู กาอวของนี้ถูกต้องตามประเพณีด้วยเป็นคนฟื้ตรงต่อแผ่นดินคนเช่นนี้จะฆ่าแช่นั้นนิชกเอาเพนอย่างนั้นแล้วมาเฉียวนี่แหละก็ตั้งให้เอียวหูเขาเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่รักษามเมืองกี่จิว๋วเอี่ยวหูนี่นก็จึงพูดว่าบัตรนี้ภรรยาของข้าพเจ้า แล้วอยู่ณเมืองอิลินเอียข้าพเจ้าก็จะขอลาท่านไปทําการศกสักสองเดือนถ้าเสร็จการแล้วข้าพเจ้าจึงจะกลับมาหาท่านมาเฉียวก็อนุญาตให้เอียวรูไปเยวรูลามาเฉียวไปถึงเมืองโลกเสียซึ่งเกียงขินผู้เป็นบุตรของอาอยู่รักษาเมืองโลกเสีย ก็เข้าไปหามาดาของเกียงขินเข้าไปก็คำมั่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าตัวข้าพเจ้าไปทาราชการอยู่ด้วยอีของณเมืองกิจิวเมืองกิจิวนะครับม่ได้ต้องกัน ร, รักษามายของตัวให้พ้นอันตรายได้ม่เขาประเหณีว่าเป็นคราเขาเป็นผู้ผิดที่ไม่ได้ป้องกัน ร, รักษานายให้พ้นอันตรายได้ และม้าเฉียวไอ้ตรูพั่นดินมันก็มาฆ่าอวีของนายขบเจ้าเสียขบเจ้าไม่รู้ที่จะเอาหน้าไว้แห่งใดได้เลยด้วยความอภัยยศแก่ชาวเมืองทั้งปวงเพราะว่ารักษานาานี้ได้และบัด น, นี้อาณาประชารัฐดรในเมืองกี่จิ๋วก็เดือดร้อนเจ็บแค้นอยู่ทุกคนคิดจะทำร้ายม้าเฉียวเสียให้ได้ เหตุใดพี่ขพเจ้าเป็นถึงเจ้าเมืองลกเสีแต่ไม่ได้จัดแจงทหารไปกำจัดศัตรูเสียทัางนิ่งอยู่ได้ไม่ได้คิดอ่านเลยนีเอี่ยวหูมีพูดดังนี้มารดาของเกียงขิมเป็นผู้ใหญ่มีอายุเด็กแปดสิบสองปีได้ฟังดังนั้นู้เรียกตัวเกียงขิมมะแล้วก็บอกว่า บักเนี่ยเมืองกิจิ๋วก็มีศึกมาเฉียวยกมาทําร้ายวีของผู้เป็นเจ้าเมืองตายแล้วแต่ตัวเจ้าก็มีได้ยกถามไปช่วยจนกระทั่งเสียเมืองวีของก็ถึงได้ความตายโทษเจ้านภะิกหญ่หลุงอยู่แม้รู้ไปถึงมหาอุปราชมหาอุปราชก็จะติดโทษได้แล้วก็ว่าแตกเยาหัวเยาหัวตัวเจ้านี้ ก็ขมับต่อมาเฉียวมาเฉียวตั้งแต่ให้เป็นคุณนางได้กินเบี้ยวหวัดเขาแล้วเหตุไหนเจ้ า, าจมาคิดเประทุษร้ายต่อผู้มีคุณเจ้าชะนี้หรอมาเฉียวก็จิงหวะซึ่งขบะเจ้านอบนอกต่อมาเฉียวนั้นขบะเจ้าไม่ได้นอบนอกโดยสุดใจอยู่มาเฉียวไว้ชีวิตขบะเจ้าเองและขบะเจ้า หนีออกมานี้ก็หวังเพียงจะรักษาชีวิตได้รอกที่รักษาชีวิตไว้นั้นก็เพื่อจะคิดอ่านทําการแก้แค้น แ, แ, แก่มาเขียวยไม่จึงาด้ยิ่งหูกราวดังนี้ยิงขีนยงขินกล้เมืองลกเสนี่ก็จริงว่ามาเขียวคนนี้ฝีมือเข้มแข็งนะถึ่งจะคิดกําจัดเท่านั้นเป็นอันยากยิ่หูก็ว่าถึงมาเขียวจะฝีมืกล้าแข็งกว่าจริง ได้มีสติปัญญาที่จะคิดอ่านในการสงครามแม้ว่าท่านจะคิดกําจัดแล้วก็จะได้และเมื่อขบราจะมานั้นนะก็ได้นัดไว้แก่เล่งควันเตียวเหงนแบบ่แหละถ้าพี่จะยกทหารไปกําจัดมาเฉียวเนี่คนทั้งสองนั้นคือเล่งขวันเตียวเหงี่ก็รับที่จะเป็นไส้ซึ่งทาการอยู่ข้างในให้มารดาก็เกียงขีมก็จริงว่า คิดเขาแล้วก็จะกระทําได้ยากอันเกิดเป็นคนไหนๆก็จะตายหุ่หนึ่งเหมือนกันเกาจะทําำสงครามอย่ากลัวแกความตายอันหนึ่งอย่าได้คิดอะไรภาวะผวาหรืมารดา น, นี้เลยถ้าเจ้าวิตกถึงเราอยู่เราก็จะตายเพื่อให้รู้แล้วไปเพื่อจะไม่เป็นกังวลกับเจ้า ว่าเก่นนั้นก็จินให้เตียวกันจัดแจงฐานะวงพร้อมและก็พร้อมด้วยเอยวหูผู้น้องนี่แหละยกทาหารม า, าร่อาวของหามกกในตอนนี้หกหลงออกศึกเป็นตัวละนะครับที่ผ่านมากก็เอาละ ออกจากบัญชีคนโด้สม่ำเสมอจะว่าว่าเป็นการแก้แค้นกับฝึกร่วมอาจารย์คือบางทองก็ได้แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์มันก็มาเข้ามาละเป็นอำนาจทางเสฉวนบัก น, นี้ให้คิดสู้ขึ้นมาละให้คิดสู้ขึ้นมาคิดสู้เหล่าเปียคือเหล่าเตียย้ยนไง ชื่อเราปีแล้วแล้วที่นี้ก็จะหาใครมาเป็นพวกได้ละ่ะก็จะเอาเตี๋ยวล่อแฮมิงค์ฮันตงสึ่งความจริงก็เป็นศัตูของตนมาก่อนนี่แหละให้มาช่วยก็โดยเหตุโดยผลว่าถ้าเราปี๋ตีใส่ชวนได้แล้วเราปี๋ก็ต้องปีฮันตงด้วยเตี๋ยวล่อไม่ช่วยนยจะทํำยังไงไม่ช่วยก็ต้องช่วยนี่เขาปรึกษาหารดูกันอย่าง ปึกษาเขาแนะนำเหล่าเกียงให้มีหนังสือไปถึงเตียวหลอกขอให้เตียวหลอกให่งมืองฮันตงมาช่วยตนให้พ้นจากการย่ำดีของเหล่าปี่ะเอาเหตุการณ์ก็ดิบีตรงตรงนั้นแล้วนี้ก็มากล่าวถึงมาเฉียวทิ้งเหตุกตารณ์นั้นไว้อย่างันก่อนมากล่าวถึงมาเฉียวเอ่อมากล่าวถึงเงิ อ้วเสียทีนี้มวี๋ของตอนแรกนะไม่ยอมไม่ยอมแพ้ในที่ทั้งสู้ไม่ได้ก็เปิดประตูเมืองยอมแพ้มาเขียวเข้าเมืองได้หนีสั่งทหารอวี๋ของเลยบอกว่าติพัฒน์มีตัวเรานี้ น, นี่ได้หนอกมอมโดยสุเกนี่จะได้หนอกมอมโดยสุภาพกว่านี้ได้เห็นว่าการทูนตัวจําเป็นแล้วยินยอมสารติพัฒน่ะฝั่งข่าเลยแต่แล้วอีกคนหนึ่งกลับมิ คือว่าเอี่ยวหูเอี่ยวหูนี่เป็นที่ปรกษาของวิ่ของเอี่ยวหูเนี่ยพัด ท, ทานวิของในการที่อิ่ของจะไปคำนับมาเฉียวมีคนกล่าวอย่นั้นบอกอย่งนั้นฟ้องอย่างนั้นมาเฉียวให้เอาตัววิ่ของมาแต่แล้วกลับไม่ข่าบอกว่าถูกแล้วที่ทําเช่นนี้อือเป็นฆ่าของท่านก็ต้องสนับสนุนท่านในทุก ป, ประการเช่นนี้แหละ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเลยแต่ว่าเวหูไม่ยอมอยู่โดยอุบายว่าจะไปทำโสเภยาแต่แล้วก็ไปไปหาเกียงขินที่เมืองลกเสลกเสมีความตัวนี้สับสนกันหน่อยชื่อเรื่องราว น, นี้จำยากกันหน่อยโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ไปชี้แจงเห็นถึงว่าตัวเขานี่เป็นฆ่าที่เลวของเจ้าหมาย ามารักษาชีวิตเจ้านายได้มันเป็นความผิดของเขาเลยทีเดียวล่ะที่แกเห็นทุกประการแล้วก็ขอร้องให้ยกทับไปกำจัดมาเฉียวนี่แหละเอากันอย่างนี้เลยก็เป็นนั้นว่าเอวูไปชุนเกียงคิมนะักเมืองลกเซให้มากำจัดมาเฉียวป็นอยู่ เปนเด็กแจงวาที่เอียวหูสืบตอนไว้ชีวิตพอเห็นว่าเป็นคนสือตรงต่อเจ้านายดีก็บอกว่าจะไปจัด ก, การศพภรรยาสักสองเดือน่งแต่แล้วกลับไปนำทัพเมืองลกเสคือไปบอกเกียงคิมให้ยกกองทัพ ก็เร่งมาไม่เจรจากันมากเลยมาเฉียวยิีก็โกรธไม่ต้องตอบแล้วขับมาไต่ตาลีเข้าไปคาฟันฐานของเกียงขิมล้มตาไปเลยมากทีเดียวเตียงขิมและเอี้ยวหูด้วยแหละสู้มาเฉียวนีดได้พ็ชัดมาควบนีมาเฉียวด้วยีก็เร่งฐานขับมาไล่ตามไปทีเดียวเดี่ยวกลั่งทหารของเตียงขิมคน เห็นอย่าั้นก็ขมหมันวกหลังตีงกระทบขึ้นมาเกียรขิมเห็นได้กีคนนั้นก็กลับทหารเอารบกระนำลงมาเหมือนกันปีกลับมน้ารับขึ้นมาละเพราะว่ามีทางด้านหลังตีกระทบมาแล้วเกีย น, นี้มาเขียวก็เข้าไปอยู่ในระหว่างทับกระหนาบรับรองป้องกันตัวอยู่เป็นสามารถละขึ้นในขณะนั้นนะ่ะ อ, อตั้งแต่ก่อนนี้นวีของอยู่เมตตาอยู่เมืองกีกิ้ว มีสื้อแกล้งไปยังแแฮ ห, หัวเ อ, อยียงคุณทับคุณพลคนทำคัญของโจมิเตโฉให้กองกำลับบงกองทัพมาช่วยนะพึ่งจะมาช่วยกันตอนนี้คือพอดีแแฮ ห, หัวเ อ, อยีงยงนี่ยกองทัพรีกมานี่ก็มาประสบกันเข้ารวมกันกับทหารของเกียนขีรวมกําลังแล้วก็รบพุ่งตลุมบอนเข้าไปเป็นสามด้านมาเขียวถูกตีหนักหน้าหลังแล้วมานี้มาข้างโดนอีกด้านหนึ่งเป็นสามด้าน เหลือกําลังต้านทางนิดได้ก็แตกหนีขับมาหนีแหวกวมร้อมเตลือตเตลืทีเดียวหนีไปคืนอย่างรุ่งก็กลับกลับถึงเมืองกี่จิ๋วได้ร้องเรียกฐานเปิดประตูตรับละคือมาเฉียวตีเมืองกี่จิ๋วไว้ได้แล้วออกไปรบพ่ายแพ้กลับมานีจะเข้าเมืองร้องให้เขาเปิดประตูตรับเล็งควัน อยู่ในเมือนก็ไม่ยอมเปิดเประตัวรับปรับสั่งฐานขึ้นบนหน้าที่จนเพลินให้ฐานเอาเกาทำเระเดิมยิงแล้วก็ร้องด่ามาเฉียวด้วยและพร้อมกันนั้นก็เอาตัวบุตรปริญาสมัทพัทพวกของมาเฉียวทั้งปวงที่อยู่ในเมืองเนี่ยปัดศีษโยนลงมาตรงหน้ามาเฉียวมาเฉียวเห็นดังนั้นทั้งโกรธทั้งแค้นยิงนะดังไฟลุกไหมอยู่ใน หลังมาลงมาสามครั้งสี่ครั้งเมื่อรู้จะทํำยังไงได้เลยอ่ะมีแขนยิ่งนักทีเดียวเอากกแขนแต่แขนก็แขนแข น, นหนักเข้าก็ถึงกับพลัดตกจากหลังมาแต่เกียกตะ ก, ก, กายขึ้นได้ปกมืออีกสามสี่ครั้งเลยทําอะไรไม่ได้บุตรเออยรรยาเหยก็มรราพรพวกเออยถูกตัดหัวโยนลงมาต่อนหน้าเต็ม น, นั้นตัวเองจะเข้าเมืองก็เข้าไม่ได้ ขาะ น, นั้นแอ๋เอียงก็ขมฐานติดตามมาทันมาเฉียวเนี่ยเหลือฐานติดตามมันน้อยตัวนะักก็พาฐานตีหักแหวกวงร้อมออกไปก็ไปพบกับกองทัพเกียงขินกับเอือหูสกัดิดมาเฉียวนะี่ยฝงมือยอดพลังเยินมแต่นั้นแหวกําลังตัวนั้นน้อยกว่ามาแัดนี้หนีพ้นแอ๋วเอียงมาได้ก็มาพบเกียงขินเอือหูมาเฉียวก็ขับมาฟันฝ่าพาฐานทั้งพวงไต่ตะลุยแหวกวงร้อม หนีไปเลยพนเตียวกันโยกหมุนตามมาทางหลังนี่อีกอีกครับอีกเตียวกันงมีทหารของเกียงขิมเขาก็ลอมาเฉียวเข้าไว้อีกเบค่าฟันทหารลมปลายกลาดตืนทีเดียวตอนนี้มาเฉียวบางเต็กมาตายเห็นทารของตนลมปลายลงมากหมายนะักยังเหลืออยู่ในประมาณห้าสิบคนเท่านั้น พอขับมาพาฐานออกมาได้ก็รีบหนี้ตะเลอดไปเลยทีเดียวหนีไปวันยังค่ำเลยตั้งแต่เช้าจนเย็ยนจนค่ำไป ถ, ถึงเมืองลกเสเมือนลกเสก็ของเกียรขิงรับก็เดินเข้าไปใกล้กำแพงาหารมนเมืองลกเส่นะไม่ทันสังเกตม่อเป็นเวลาค่ำ แล้วก็สำคัญอลเตียงขินผู้เป็นเจ้าเมืองยกกลับมาก็เลยเปิดประตูรับนี่รับมาเฉียวเข้าไปในเมีองก็งอย่างนั้นแหละมาเฉียวนั้นพอเขเปิดประตู ร, รับก็พาถังล่งเข้าไปในเมืองได้ร้ข้าวฟันชาเมืองล้มตายเป็นอันมากเลยเดีวแล้วก็เข้าไปจับตัวมารดาเตียงขินออกมาจากบ้านมารดาเตียงขินเนี่ยมาในอายุ80กว่าแล้วอายุถึง82ปีแล้ว เรื่องานเป็นหญิงใจกล้าหันเด็กเดียวนะักไม่ได้กลัวตายที่หน้าดาว่ามาเฉียวว่าไอส้สกุลกันดินมึงจะฆ่าคุผู้เป็นหญิงแก่แถนี้ก็ตามเถอะมาเฉียวโกรธก็กระบีฟันมาดาเกียงขิมตายครังรุ่งเชา้าเฮาหุเอียรู้ข่าวกอดโยธาติดตามมายังมุนโลกเสมาเฉียวนั้นเข้าเมืองลกเสได้ก็จริง่ะ แต่ตนไม่มีกันอยู่ไม่กี่สิบคนเลยนายก็ไม่อาจเปอยู่ได้ก็หนีออกจากเมืองโกเเส่ก็ไปพบกับเอี่ยงหูขมฐานยกมาสวนทางกันเข้ามาเฉียวก็ขับมาเข้ารบกับเอี่ยงหูเป็นสามาทีเดียวตอนนี้แทบจะกล่าวได้ว่ามาเฉียวตัวคนเดียวคนมีบาง่ากมาเตกและดีฐานเลยอีกไม่กี่กี่กี่คนหรอก ก็มีความแค้นเป็นที่ยิ่งนะมาเฉียวก็ตะลีเข้ารบกับเอียวหูเป็นสา ม, มารถทีเดียวทางนี้มวยแค้นแบบต้ไว้ชีวิตให้ปล่อยชีวิตไปแต่เอียวหูกลับเปน็นนาพระมาล้างฐานตรงบุปรญาตัวถึงแต่ความตายหมดเส้นเนี่ยมาเฉียวตะลีรบดิเคลืงแค้นข่าฟันทหารของเอียวหูโอมปลายลงมากมาทีเดียวและทหารของมาเฉีวเองาาเก็บาดเจ็บโอมปายลงอีกมาก แล้ด้วยความแค้นเป็นที่ยิ่งนะมาเฉียวกับตะวีเข้ารบ ก, กับเอียวหูเป็นสามาที่เดียวทั้งด้วยแค้นอบบต้นไว้ชีวิตให้ปล่อยชีวิตไปแต่เอียหูกลับไปนําพรับมาล้างฐานตป็นบุตรญาตัวถึงแก่ความตายหมดเลยเนี่ยมาเฉียวต้องมีรบด้วยเพลินแค้นข้าวันทหารของเอียวหูล้มปลายลงมากมาทีเดียวและทหารของมาเฉียวเองก็มาดเก็บล้มตายลงอีกมาก ทั้งที่เหลืออยู่จำนนเพีย ง, งน้อยแล้วเนี่ยเอลหูนั้นก็สู้รบกับมา้าเขียวอย่างเด็กเดียวถึงแม้ว่าจะกำลังฝึกมืน้อยกว่าก็จริงแต่ก็สู้ทนในที่สุดก็ถูกท่วมเจ็บปืดเป็นห้ายแห่งแต่อลหูนี่ก็ไม่ได้ยอมหนีเข้าต่อสู้ด้วยม้าเขียวเป็นสาหัสก็พอดีแห่หัวเอียนยกตลบหลังตามมาทันเข้าขับถังโหร้องเข้ามามา้าเขียว อมอังรอกตัวเห็นทหารยังเหลือดีประมาณเจคนเท่านั้นเองเหลือทหารอีกเจคนเท่านั้นน้อยตัวนะักก็พาบางเตกมาตายและทหารที่เหลือนั้นตีมาด ท, ทานออกรีบหนีไปควายแห่ไว้เอียนเมื่อ กำจัดมาเฉียวได้คือมาเฉียวหนีนถ้าเจอนนเรู้แต่ตัวมาเฉียวบางตัวมาตายะฐานอีกเจ็คนหนีกระเดือเปิดตัวไปแล้วเนี่ยแฮเอียนก็ยกฐานไปปราบปรามมือหนึ่งลกเสให้ราบขาเป็นปกนติทุกตาําบลแล้วก็ตั้งให้เกียงขิมอยู่รักษาหนึ่งลกเสดังเดิมเพราะว่าเกียงขิมก็เป็นเจ้ามือลกเสอยู่แล้วยกทัพไปช่วยมืกอกี่จิ๋วก แล้วก็พาเอาเอียวหูเอียวหูต้องเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญซึ่งถูกทวนเป็ะตัวยสาหัสขึ้นกุ้นกลับมามือหูโตมาแจ้งความให้กับโจโฉได้ทราบผู้ประกาศเอียวหูนี่ก็ต้องได้รับการยกย่องอฐ า, านะเป็นวีร บ, บุรุษคนสำคัญของโจมิงเต้แห่งหูโตทีเดียวละเพราะเอี่ยวหูกระทำการทั้งฝีงนี้ก็เพื่อ โ ต, ตัวโทนฉไมีความยินดีนะก็ตั้งเอียวหูเนี่เป็นที่คุ้นานผู้ใหญ่แล้วก็จัดแผลหัวเนี่ยไปรักษาพยาบาลเอียวหูเป็นอันดีนี่เหตุการณ์ที่กล่าวตรงนี้กล่าววท้ทวิ้ทีนี้มากล่าวถึงมาเกียวกันต่อไปละเอเอที่จะไปประสบพบกับเรล่าปีกันยังไงนะน่ะคือเมื่อมาเกียวแตดหนีไปนั้น ก็ปรึกษากับบันเต็กและมาต่ายละวับบัดเนี่ยเราก็หาที่อยู่มิดได้แล้วจะไปอาศัยหุ้เมืองฝ่ายตะวันตกฝ่ายตะวันออกเราแห่นแควนแบรนดบินทั้งสิ้นนั้นก็เป็นของโจโฉทั้งนั้นเราจะพากันไปอาศัยเตียวลอกณเนะมืองหันโตงเถอะนีม่มาเถี่ยวปรึกษากันอย่างนี้ ตกลงกันจะ่นี้แล้วไม่มีทานไปแล้วมาเฉียวบางเต็กมาใตา้อ่ารัฐหารตอนนี้เหลห้าคนคนเราเป็นแปดคนด้ยวยกันตัวเนี้ยมาเฉียวบางเต็กมาใตาย้ยเรือทหารอีกห้าก็ไปเมืองหันตงเข้าไปอยู่ด้วยหันตงอ่าเข้าไปอยู่ด้วยเตียวล่อแห่งเมืองหันตง ปิพัฒน์โดยเขีนเนี่ยก็มีความยินดีนักก็มาเฉียวก็ต้องมาอยู่ในฐานะอย่างดีฝึกก็เพียงฐานเอกฐานทานี่มีดีเท่านั้นเองก็มาอยู่เป็นกำลังสําคัญในกับเตียวรอเดเปียวรอดก็ปรึกษากับฐานทั้งปวงเราว่าบัตรนี้มาเฉียวมาอยู่ด้วยเราแล้วส่วนจะคิดทําการไปภายหน้าเนี่ยคิดจะทําการใหญ่ต่อไปในภายหน้าก็เห็นจะสะดวกฝ่ายที่ตะวันออก ก็จะได้ต่อสู้กับโจโฉฝ่ายที่ตะวันตกก็จะได้คิดเอาเมืองเสฉวนเสียครั้งนี้ข้าสุดทั้งปวงก็จะยำเกรงเพราะมาเฉียวมาเป็นกำลังของเราควรที่เราจะยกลูกสาวเราให้แก่มาเฉียวตามประเพณีบัดนี้บุพรยามาเฉียวก็ถูกฆ่าตายหมดสิ้นแล้วเชนนี้ ฮันตงนเป็นมุมใหญ่แว่นแหวนแด น, นดินที่ยิ่งใหญ่แห่งนึ่งและด้วยแผนดินจีนร้อนเราเป็นไฟไปทุกหัวละแหงคใายที่ต่างตัวได้ต่างคนต่างก็คิดที่จะเป็นเจ้าเป็นใหญ่ด้วยกันทางนั้นแหละเดี่ยวเป๊กที่ปรึกษาของเตียวหอกก็จึงห้ามขึ้นมาซึ่งท่านจะยกลูกสาวท่านในแกะม้าเฉียวนั้นเข้าไปจะไม่ดิ เป็นใจด้วยเลยเด็กมา้าเฉียวนั้นแต่จะรักษาบุตรภรยาของตัวเองก็ยังนี้ได้และมีหรือท่านจะยกบุตสาวท่านจะเป็นภรยาแต่มา้าเฉียวอีกชนิดสุดปลายเรื่องหนักมา้าเฉียวก็เห็นว่จะรักษาบุตรท่านี้ได้กวจะละเสียเป็นตราเป็นอันตรายเหมือนครั้งที่แล้วอีกหรอกขอท่านใดดํำริดูดกอ่อ ทวงขึ้นเข็นนี้มาเฉียวไปเสียดุภรยาของตนหมดสิ้นที่เมืงองจี๋จีวอะเดี่ยวนอได้ดฟังเ e อียวเปกทวงติงขึ้นเช็นนี้ก็เห็นชอบบดก็จริงนี่ได้ยกหมุกษาให้แก่มาเฉียวมาเฉียวน่ารู้ความนี้ทั้งสิ้นแล้วก็รู้ลึกซึ้งไปเลยทีเดียวละว่าอยวเปกเหนี่ยเป็นผู้พัดพานก็น้อยใจคิดแค้นเ e อยเปกอย่ม่รู้ว มาเฉียเมันคิดจะทำร้ายเอีลเป็กให้ได้ฝ่ายเอลเป็กเนี่ยก็รู้ตัวก็ปรึกษากับเอีลสงซึ่งเป็นพี่ของตดเอลสงนะครับมิใช่เปลวสงทูดธนยศแห่งเสฉวนผู้มีความจำยอดเยี่ยมคนละคนกันเอลเอีลเป็กปรึกษากับเอลสงผู้พี่เพื่อจะต้องกำจัดมาเฉีววยวได้ นี่ต่างก็คิดที่จะร้างที่จะผลานส <im> ึงกันและกันอยู่ชนีละชาวเน็ก็กล่าวปทูดเสฉวนทูดเหล่าเจียง ที่จะมาขอกําลังเตียวลอแต่ความขีงมิดเตียวล่อกก็คิดจะบทขยี้เสฉวนอยู่เอาล่ะอุ้ยขวัญอุ้ยขวนพทกเหล่าเตียงจากเสฉวนถึอหนังสือมาจากมือเสฉวนก็เข้าไปคานับเตียวลอกแล้วก็เอาหนังสือเหล่าเตียงฟงให้แก่เตียวลอกเตียวล่อกฉีกหนึบออกอ่านหนังสือ แต่ความในหนังสือมันเป็นใจความว่าบบนี้เล่าปี่ยกมาทําร้ายเมืองเสฉวนคิดการกําเริบใหญ่หลวงนะและเมืองเสฉวนกับเมือนฮันติ๋งนี้ก็เป็นเหมือนปากกับฟันใกล้กันนะมีอย่างที่อที่ปรึกษาของเราเพียงเขาเปรียบเทียบไปฟังน่ะคือถ้าถลินฟิดป่า ตัดจมูกตัดปากไปกแล้วเนี่ยมันก็จะถึงฟันเนี่ยมึงเสือก็เ ข, เขียนมาเป็นใจความเนี่ยมึงเสืชวนนันปงเปรียบมึงปากกับฟันใกล้กันนะักแม้เหล่าปีได้มึงเสือชวนแล้วก็เห็นว่าจะมาทําร้ายแก่มึงหันปงเป็นแน่อนาณาประชารัฐดอนทั้งปวงก็จะได้รับความเดือดร้อนขอท่านไนายกฐานมาช่วยกําจัดเล่าปีเสียถ้าท่านได้รับการแล้ว ข้าเจ้าจะยกเมืองเฟสชวนให้แกท่านยี่สิบหัวเมืองมีหนังสือมีมาอย่างนี้ขอกำลังขอความเช่อเหลือพร้อมกันนั้นก็มีรางวัลมีสินบนให้ด้วยเตียงล่อได้แจ่งควาน ม, มีฝืกก็มีความยินดีใครจะได้หัวเมืองเฟสชวนอยู่แล้วอ่ะ นเท็กับริง น, นั้นก็กำกึ่งแกกันเกิดว่าการสมเร็จแล้วเขาจะมีให้ว่าิเงินแก่ท่านนะท่านจะมีเสียทีเปล่าหรือขอท่านอย่าเพิ่งเชื่อถอยฟังคำเราเียงก่อนเลยเย็นเผาว่าอย่างนั้นอย่าเพิ่งเชื่อขณะนั้นมาเชียวซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดานายทหารคนสาคัญ บนด่านแห่บางโวนซึ่งเป็นบ่านเมืองสําคัญของเสฉวนนั้นขุบาจะ จ, จะขออาส า, าคุมทหารไปทําการรบจับเอาตัวเล่าปีฆ่าเสียให้ได้เหล่าเตี้ยงชาเมืองเสฉวนก็จะมีความยินดีก็จะยกหัวเมืองขึ้นยี่สิบหัวเมืองให้เป็นกำมังแก่ท่านมาเฉียว่าอาสาเลยเยียนเผาทัพทานมาเฉียว่าอาสา เดี่วหลอกเดีฟมาเจียวอาสาก็มีความดนดีก็ว่าแกวี่กวนทูดแห่งเสฉวนนั่นทีเดียววาให้ทําเร่งกลับไปบอกแกเล่าเพียงเถอะว่าเราจะช่วยธุระนี้ไปจนกว่าจะสิ้นกําลังคือรับการนี้แหละจะป้องการนี้ให้เราปีเข้าปีเสฉวนได้แล้ววีกวนก็คำนับราเดี่ยวหลอกกลับไปเสฉวนเดี่ยวรอกก็สั่งจัดพับทีเดียว สองหมืนให้เอยวเปกเอยวเปกผู้สูงเป็นอรีอยู่ในใจกับมาเฉียวด้วยเนี่ยให้เอียวเปกกำกับไปด้วยกับมาเฉียวและขนณะนั้นน่ะ mm. ก็ะเอลอบังเปกฐานคู่ใจของมาเฉียวเนี่ยป่วยอยู่มาเฉวก็แต่งคนไปอยู่รักษาบังเปกณเมืองหันตุเนี่ย ครั้นเด ย, ยามงามดีมาเฉียวมาตายของคนพีน้องก้ยโยกกองทัพออกจากเมืองฮันส่งพุ่งตรงไปยังด่านแฮบังก ว, น, วนนี่ละบัดนี้ละย้อนกลับมากล่าวทั้งฝ่ายของเล่าปีละนี่เหตุที่มาเฉียวจะมาประจนันกันกับเล่าปีะเหตุนี้ เอามาเฉียวรบมุนรบมีปีกิจิวตีโลกเสแตกตะเลิดเปิดเปิงไปอาศัยเตียวหลอกแล้วก็อาสาเตียวหลอกมาตีเหล่าปีเนี่ยเอาทีนี้ข้างฝ่ายเหล่าปีนั้นเมื่อตั้งอยู่ในเมืองโลกเส่โลกเสียโลกเสียที่คล้ายๆกันครับโลกเส่เมืองโลกเสียเมืองหนึ่ ง, ง, งออกเสียงต่างกันนิดเดียวเท่นั้นเองเออบางทีอาจจะเห็นว่าเป็นเมืองเดียวกันนิดหน่ รอบปีเมื่อตั้งอยู่ในเมืองโลกเสียหวดเจงคนสําคัญของเสฉวนก็ต้องกล่าวแล้วว่าหัดเจงผู้จะเรียกเพียงเสฉวนมาเข้ากับรอบปีหวดเจงก็บอกแกรอบปีว่าขบเจ้าได้ให้หนังสือรัไปยังทหารผู้ที่จะเป็นไส้สึกอยู่ในเมืองเสฉวนและผู้ถือหนังสือไมื่ถืนงสึกกลับมาบอกขบเจ้า ว, ว่าแต่ต่อ เป็นที่ปรึกษาอของเหล่าเก่งได้ให้ทหารของเหล่าเกยงได้หทหารเสฉวนออกไปเผาข้าวปลาอาหารชาวบ้านนอกกวาดต้อนครอบครัวข้ามฝาดแาม่น้ำปุยปุให้พ้นจะข้าตึกและสั่งทหารที่รักษาด่านทั้งพวงให้ตั้งมั่นไว้อย่าออกสู้รบด้วยทั้นนี่คือข่าวที่เหล่าเก่ง แกงแก่รอบปีให้สราบดังนี้นี่เราบปีและก็พร้อมกับผมนเด้งด้ยวยละด้วยแกง้งแลก็ตกใจทีเดียวที่มันเป็นข่าวอันสำคัญยิ่งทีเดียวก็จินว่าเมื่อแตะต่อให้เล่าเรี่องทรรมชานี้แล้วเนี่ยเราจะคิดประการใดหมดจริงก็จินว่า แต่ต่อ น, นั้นมีความคิดชำมาลการร่อลวงก็จริงอยู่แต่เขาจะเห็นว่าเหล่าเกียงเนี่ยคงจะไม่ทําตามหรอกนี่เหลเกียงกล่าว่อไปอย่างนี้คืนมั่นใจว่าจเจ้าเมืองคงไม่ยอมทําตามคมําแนะนําของแต่ต่อซึ่งก็เป็นความจริงแ่ะครั้งอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกกับเหล่าปีว่าเหลาเกียงนี่ได้ทําตามคําแต่ต่อหรอก ที่แต่ตอนนะนําไม่กวาดปนผู้คนเข้ามาในมือให้หมดและก็เผาตัวเบียงหังนตั้งวงอย่าให้โหรว่าเป็นประโยชน์ไปฝ่ายเล่าปีเนี่ยแต่ตอนนะนํเาเหล่าเจียงเข็มนั้นหัวเจียงก็บอกว่าเหล่าเจียงคงไม่ทําตามอ่ะอยู่ต่อมาไม่กี่วันก็มีคนมาบอกแกเล่าปีจริงๆด้วยว่าเหล่าเจียงนี่ได้ทําตามคําแต้ต่อเล่าปีได้แจง้งแล้ก็ค่อยคลายใจดูถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ก็อยากแต่การที่ตนจะกรีธาทับเขาไปเหยียบเสยชวนยิ่งนะฝ่ายของเบ่งก็ศึกษากับเหล่าปีว่าจำที่เราจะต้องยกไปปีเมืองกิมกกก่อนถ้าได้เมืองกิมกกแล้วก็จะได้เมืองเสยชวนโดยง่ายเหล่าปีเวียนชอบด้วยก็แต่ให้อีเยนฮองตนสองทหารเสือเป็นความจริงแล้วก็ตรงเรียกว่าไม่เคยจะถูกกันหรอก ปีให้คนสองของสองเนี่ยเป็นกองหน้าเหล่าปีกับผนหนึ่งเป็นกองหลวงยกไปตั้งอยู่ณแดนเมืองกิมโกกฝ่ายว้หวนจะมืองกิมโกกรู้เข้าเช่นนั้นหวัวกองทัพเหล่าปียกมาปฏิดติเป็นแวลนแดนตนก็ให้ลีดเยี่ยมคุมฐานสามพันยกออกไปก็ได้รบกับฮอมตง รึงเมื่อสิ้เปลยก็มีแพ้มีชนะแก่กันขนเด่น ย, ยอดเสนาทิการทหารคนสําคัญของเหล่าปีเห็นดังนะเห็นรบกันอยู่นานนะฮองตงผู้เผ่าอกสิทเศก็ฝีมีเยี่ยมแต่ก็มิอาจจะหักอิ่ยเยี่ยมได้สําเร็จผุนเด่ค่อยตีมารอบหวังจะเรียกฮองตงให้กลับมาฮองตงยินเสียงมารอกเป็นัญญานเอกถอยซะนั้น ก็พาฐานถอยกลับเข้ามาก็เข้ามาถานของเบ้นทีเดียวว่าขบเจ้ารบอยู่กับลิเยียงได้พีที่จะจับตัวลิเยียงได้อยู่แล้วเหตุใดท่านจึงปีมาร้อเรียกกลับมาใด้ดังเนี้ของเบ้งก็ตอบว่าอันลิเยียงมันมีกําลังเข้มแข็งกล้าหาญซึ่งทางาา่านเจ้ารุ่งเอาชชนะซึ่งหน้านั้นไม่ได้เราจรึงปีมาร้อเป็นสัญญาเรียกให้กลับมา หวังที่จะทํากลอบายเอาชัยชนะให้จึงได้หรอกเวลาข้ามวันนี้เราจะแต่งฐานสองกองไปซุ่มอยู่รินศอกเขาพอพรุ่งนี้ท่านออกไปรบกับลิเยี่ยมก็จะทำเป็นถอยหนีล่อให้เข้าไปทางศอกเขานั่นลิเยียมก็จะเทะลุงงในฝีมีอปิก ต, ตา ม, มาทหารที่ซุ่มไว้ก็จะตีกระหนาบเข้ามาเช่นนี้ เห็นจะได้ชายชนะเป็นมั่นคงของเบงชี้แจงให้วารเดนีห้องตรงเด็กวังก็เห็นชอบด้วยครั้งค้ำวันนั้นผมงเบงก็ให้กุยเอียนคุมหานไปสกัดอยู่ปากทางแล้วก็แต่งฐานสองกองไปซุ่นอยู่ริมซอกเขาครั้งรุ่เชา้าก็ส่งหองตรงไปพาลกหองตรงก็ขีม่ม้าพาฐานออกไปทีเดียว ฝ่ายลิเยเห็นดังนั้น่บวานรบกันอยู่ดีๆแล้วก็ถอยไปเสียบัดนี้ฮองตงขีมม่มา้ามานันไม่ต้องรอให้มันร้องท้าแล้วนี่เยนก็ขับมา้าออกมารบกับฮองตรงรบกันได้สิกเพลหฮองตงก็ทำเป็นถอยหนีก็หนีไปตามทางที่ของเบ่งทำอุบายไว้นั่นแหละคือวันหนีล่อไปทางซอกเขาที่มีเย่นำทัพไปสู้ไปแล้ว เหยนีย่ใหม่มีรู้ในโกรสึกเขาหลือว่า้องตงเนี่ยาราแล้วหนึ่งและเมื่อวานนี้ก็ได้สู้รบกันมาอย่างสาหัสจนห้าสิดเพลงก็เห็นว่ห้องตงนี่ไม่มีอะไรคงจะสู้ี่นุ้ยนี้ได้จริงๆ ร, ร, ริงนหนีไปเช่นนะั้นี่ไดยรู้เลยว่าเป็นคนอุบายลิหเหยืยแลนวก็ขับมา้าไล่ตามเข้าไปถึงปากทางซอกเขาแต่พอนี้พอนีมาถึง ตรงชายภูมินี้เข้าทีก็คุกคิดขึ้นมาไดกเกรงว่าถ้าข้าเสดจอาทหารมาซุ่มไว้ที่นีแล้วก็เราจะเสียทีเขาเป็นมั่คนคงหรือเยียมคิดขึ้นอนี้ก็ชักมาจะกลับก็พอดีวีเอียคงคุมทหารมาสกัดอยู่เป็นนั้นมากวีเยียงทัานจะหนีใดๆก็หนีไม่ได้ขณะนั้นคงบ่งขึ้นไปอยู่บนเนินเขามน่นก็ร้องตะโกนลงมาว่า ลิเยี่ยมจงเร่งเข้ามานกนอกตัวเราได้โดยดีท้าหิฟังก็ใช้ทหารซุ่มๆอยู่ทั้งสองกองเนี่ยเอาเกาทำระดมยิง้ปถึงแต่ความตายลิเยียมเห็นเช่นนั้นได้ยินอย่างนั้นได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ตกใจก็จึงคิดว่าตัวอูเข้ามาอยู่ที่แคบขับขันจนี้ จะขัดขืนเขาเห็นจะไม่รอดชีวิตก็จำจะขออ่อนน้อมไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยคิดแก้ไขต่อภายหลังริเหยียมคิดดังม น, นแล้วก็ลงจากหลังมาวางอาวุธถอดเกราะเสียแล้วก็ขึ้นไปคำ ม, มับขงเบ่งแต่โดยดีขงเบ่ง ได้ตัวลิ่มเยือนแล้วก็ยินดีคือว่าคงเดงเนี่ยไม่อยู่ประกันถ้าวัดถึงการสู้รบแล้วเนี่ยก็มาจังวัดสู้รบที่ต้องการกันว่าจะวาง จ, จะพานสังหารชีวิตกันพลาดเดียวคงเด้งสู้รบรือสั่งให้รบโดยการถนอมชีวิตไพร่พลเป็นสําคัญถ้าเพื่รบกับฮองตงกันต่อไปก็รบกันไปมันก็ต้องตายกันไปขัน้น ไม่รีเยียนตายก็ต้องฮองตองตายเนี่ยแต่ก็หุอกระไรอะ่ะแช่ร่มหายตายจากกันแค่นั้นไม่ควรที่เอาตัวไว้เอาชีวิตอยู่อาจจะทําประโยชน์กันต่อไปได้ดีมันจะดีกว่าเอาเราคมเองทําอุบายอย่างนี้แล้วจับตัวลิเยียนไ่้แล้วเอาลีเยียนยอมยอมแพ้แล้วแต่จะสามพิพากโดยความจงรับพระดีประการใดอย่างไรนั้นว่ากันอีกเกินบัดนี้ได้ตัวลีเยียนแล้วก็ยินดีละ มาลิเย่ยกลับไปค่ายเขาไปหาเหล่าปีเหล่าปีก็เชิลีิเยียให้กินโต๊ะแล้วก็พูดว่าเราจะทะนุบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุดที่มาทำการทางนี้ลิเย่ยก็จึงพูดกับเล่าปีว่ามีหวนนั้นเป็นพี่น้องกับเล่าเกียงก็จริงแต่ข้าพเจ้าจะพูดจาว่ากล่าวสิ่งใดมีหวนก็เชื่อฟัง อวี๋หวนท่านเจ้าเมืองกินก๊อกอริยเยียมมีเป็นฐานเอกอรียเยี่ยมผู้หญิงเนี่ยบอกอวีอ๋หวนกันที่น้องกับเรากินกว่าจริงแต่ข้าพเจ้าจะว่าดสิ่งใดอี๋หวนก็เชื่อฟังข้าพเจ้าจะขอลาท่านเข้าไปว่ากล่าวให้อวี๋หวนอ่อนน้อมต่อท่านหเหตุใดอรียเยียมว่าอย่างนี้จะกินมี่กินประการใดก็ตามเถอะเราปีเล็กฟังก็มีความยินดีก็ยินว่า เม้นท่าตั้งใจสุจริตต่อเราแล้วก็เร่งเข้าไปว่ากล่าวกับอุ้ยเหวินโดยดีเถอะลิเหยี่ยงก็ขมมาปลาเราปีคนเบ่งแล้วก็พาฐานกลับเข้าไปในเมืองกินกกเมืกลับเข้าไปแล้วลิเหยี่ยงก็เร่าเนื้อความทั้งตัวเหตุมีเหวินฟังนี่แหละว่าออกไปรบกับฮองตงแล้วก็ถูกเขาจับตัวได้เมื่อเข้าไปในเมืองเออเข้าไปในค่ายเราปีก็ได้พูดกุยเจรจาภาทีกันแล้ว ก็เห็นว่าเล่าปีเนี่ยมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่ออนณาประชาราัฐดรซึ่งเล่าปียกทับมากระทำการท้งเนี้ยก็หวังจะทะลุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุดถ้าแม้นท่านจะขัดแข็งอยู่ไม่ออกไปอ่อนน้อมกินกกเมืองน้อยของเรานี้ก็จะมีอันตรายเป็นมั่นคมหรืิเยี่ยมก็ผ่ายแพ้แก ผู้พล ม, มุมมือแก่จนทุกท่านของเหล่าปีเหมือนกันเข้ามาพูดจากับเจ้าเมืองอย่างนี้ให้ยอมแพ้เขาเสียวิ่งวนด้วยฟังนิยมนายฐานเอกคนสําคัญของตอนพูดจาเช่นนี้ก็เห็นด้วยก็พาฐานไต่คำนับเหล่าปีแล้วก็หวาดกลา้าเชื่อเชิญเหล่าปีคงเบ่งให้เข้ามาในเมือง เ, องเหล่าปีคงเบ่งสิ่งสงสยัยก็พากันก็ไปในเมืองกินกบวิ่งวน กิก๊กผู้สามิพัฒเนี่ยก็สั่งให้แต่งโตเชิเาปีฐานทังกินโตครันกินโตแล้วเราปีก็จัดแจงฐานจะยกไปยังเมืองเอ็กิวเอ็กิวนี่ก็เป็นอนเมืองสาคัญวั น, วแนแควนแดงเสฉวนนี่แหละฉวนนี่บก็เรียกว่าเอ็กิวเอ็กิวนี่ก็เรียกว่าเสชวนก็อพอดีขนาดนั้นมาชายก็มาบอกว่าบัดนี้เตีล่อให้มาเฉียวมา และพร้อมดิเอียเปกยกกองทัพมาเด่งตัดฮัตจุนซึ่งท่านให้ยุรักษาดานแแฮบางกวนนั้นได้รบพุ่งป้องกันเป็นสามะแม้นท่านไม่ยกไปช่วยให้ทันทีดานแแฮบางกวนนั้นก็จะเสียแกม้าเฉียวดีมาา้าไทยก็มารายงานอย่างดีล่าปี่เดียวก็ตกใจทีเดียวละ นี่ก็เทวตนจะรบเสฉยชวนแต่แล้วหันตงทรงทัพมาตีข้างหลังอย่างนี้เนี่ยก็ยอมจะต้องวิปตกเป็นมั่นคงละเราปีก็ปรึกษากับของเบ่งหวังบัดนี้จะคิดอ่านประการใดดีอะ่ะของเบ่งก็จริงว่าข้าพเจ้าจะเห็นอยู่ก็แต่เตียวหีจูโล่งสองนายเนี่ยพอจะต้านทานกำลังมาเฉียวมาตายและเอว เรื่องเลยอะเตียวหิเตียวเตียวดีเต้มาถึงก็บอกว่ามันนี่ม้าเฉียวน่ะยกมารบกับเบลตัดทักจุดข้าพเจ้าจะขออาสาไปต่อรบด้วยม้าเฉียวเองนี่เตียวหิเข้ามาเรียกร้องเรือดคนหนึ่งฝีมีดทรงพลังระโกนอาสาเข้ามาอย่างเนี้ยคนเบ่งก็ทําเป็นไม่ได้ยินทําเป็นไม่ได้ยินแกลงพูดกับเล่าปีหวังจะยั่วใจเตียวหิแหละ ของบงก็พูดกับเล่าปีขึ้นว่าอันมาเฉียวนั้นมีกำลังและมีฝีมืออยู่จึงจะต้องเนี่ยมาชัยรีดไปเมืองเกงจิ๋วเพื่อหาตักอ้วนอูมาสู้กับมา้าเฉียวต้องอวนอูจึงจะต่อสู้กับมา้าเฉียวได้ของเบ่งทําเป็นพูดกับเล่าปีอย่างนี้ตกเตียวอีเป๋อวิ่งไปฟังก็โกรอดกรอทีนี้ ท่นผูนี้ท่านมักโกรอยู่แล้วก็ถือว่าอันตัวข้าพเจ้านี้ก็มีปัญญาแหมเตียวหุบอกว่าตัวเองมีปัญญาเลยจากการที่สามารเอาตัวเย็นยั่งมาอยู่ได้ได้เนี่ยเตียวหุบอกว่าข้าพเจ้านี้ก็มีปัญญาและมีที่มีอยู่บ้างก็เมื่อครั้งโจโฉกลมหายถึงร้ยมื่นตามานัติสะพานเตียงปันเกี่ยวข้าพเจ้าเนี่ยได้รบ้านพานคิดอ่านทำคนอุบาย จนฐานโจโฉร้อยหมื่นถอยกลับไปอะ่ะนเตียวฮุย ก, ก็อวดปัญญาเขาดีเดียวซึ่งตอนนั้น เ, เป็นตอนที่ได้ช่วยจูเล่งไว้ด้วยและเป็นตอนที่เตียวหุยสั่งให้ฐานตัดไม้และเอาเชือกมาผูกแล้วก็เอามาล่าเห็นกิ่งไม้มังทำฝุ่นตลบกลบไปทหารโจโฉเห็นเขาไม่กล้ามาอันนี้เป็นความจริงที่เตียวฮุย ก, ก็ทําไวา้ได้สําเร็จครั้งนั้นอะ่ะ โยกอ่างเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นทีเดียวทําคนอูบายจนโจโฉถอยทัพกลับไปอันมาเฉียวมันจะมีปัญญาละสีมือสักเพียงไรเทียวทา่านเองจำเพาะจะต้องให้โวนอูไปอ่ะเดีย ว, วิุโกรธคงเด่งก็แกล้งตอบว่าครั้งโจโฉคุมหารร้อยหมื่นตามมาท่านได้ต้านทานอยู่ก็จริงแต่เหลือกำลังนะซึ่งท่านคิดคนอูบาถานโจโฉถอยไปนั้นน่ะคาดึกไม่ทันคิด โก ร, รู้แล้วที่ไหนท่านจะรอดชีวิตได้ท่านจะดูหมิ่นประมาทเลยอันมาเฉียวเนี่ยมีฝีมือกล้าหาญนะ เด็กฟังของบ้งพูดดังนั้นเนี่ยโกรธทีเดียวโกรธมากก็จริงว่าอันตัวขา้าราจ้ารนี้ก็มีปัญญาหรือที่มีอยู่บ้างครั้งโจโฉอมหานไปร้อยยืนมาตามสะพานเปียกปันเกียวนะ่ขะข้าราชการก็เลยรบพุ่งตานฐานคิดอ่านทํากลอุบายจนฐานโจโฉถอยกลับไปนีเตียวหิเขาเขาลําพองในขติปัญญาเขามาก มีครั้งสะพานเตียงปันเกี้ยนุที่โจโฉตามบทขยี้กองทัพเหล่าปีและจูล่งตะลุยทุ่งเตงอย่างเสดทั้งคืนทั้งวันน่ะก็ได้ร้องเรียกไอ้เตียวียช่วยในตอนสุดท้าย น, นี่และเตียวฮุยก็ทําอุบายไว้ตอนนั้นน่ะทัพโจโฉไม่กล้าที่จะติดตามข้ามสะพานเตียงปันเกียเก้ยมานี่เตียวฮุยก็รังพองในปัญญาก็อยู่นี่เป็นประการหนึ่งกับประการที่สองทั้งที่ยกมานักลาวเนี่ย ได้เกิดทำดีสามารถจงกระทั่งผ่านดานผ่านทางต่างๆนันม า, มาได้ดีๆเพราะเตียวหุยให้เกิดมีความคิดที่ดีรู้จัก